พัฒนะสู่ธรรมเรื่องท่านอาจารย์ส่วนโมกกับสุนทรียภาพโดยอาจารย์โกวิศอนเนกชัยเขมานันทะวันที่ส7เจ็ดพฤศจิกายนสอง6ันหา้าอยสามสิบหหัวข้อในวันนี้ก็คือ่อาจารย์ส่วนโมกนะครับซึ่งเราจะ กันดีแทบทุกคนนะกับศูนย์ทีวีภาพเราหัวข้อดูออกจะแปลกตรงที่ว่าเราทราบกันดีว่าครับภิกษุหรือบรรพชิตในพุทธศาสนานั้นมักจะถูกมองผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับเพลงหรือจิตกรรมหรือานางศิลปะทั้งหลายที่เนื่องด้วยอารมณ์ศูนย์ที ผมเองไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดอะไรแลงแต่เนื่องจากาผมเองได้รับรู้ในส่วนนี้โดยเฉพาะก็ว่าได้ครับเพราะตัวเองรับหน้าที่เขียนเลาะคัดลอกจิตกรรมปริศนาธรรมล้ำเลิศของบรรพบุรุษของชาวพุทธในประเทศนี้ขึ้นบนฝาผนังโรงหอศพทางบิญญาณ ในการที่จะคัดภาพเหล่านั้นขึ้นผมต้องปรึกษาหารือกับท่านในเรื่องที่จะปรับปรุงขนาดสเกลและก็สีสันดังนั้นเองยังได้รับทราบความรู้สึกด้านสูนทรีของท่านอาจารย์และยังอยากจะเผยแพร่ให้ท่านทั้งหลายที่สนใจในอัตลักษภาพของท่านอาจารย์จอมโอ้ได้รับทราบบ้างเท่านั้นครับ ก่อนอื่นใดผมอยากจะแสดงความรู้สึกครับอย่างก่อนนะครับการที่เราพูดถึงอารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านผู้วายชนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าท่านไม่อาจลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าเราพูดถูกหรือพูดผิดอีกดันนั้นเองเป็นไปได้ที่ธรรมเนียมขนบธรรมเนียมไทยจึงให้ผู้ที่อยู่ภายหลัง เลือกพูดถึงผู้วายชนนนั้นในทางที่ดีไว้ก่อนเพราะว่าาในทางดีนั้นไม่ต้องแก้เท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าเราพูดพราดไปจากความจริงแล้วก็เสียหายทีเดียวครับสำหดับถัดมานะครับผมอยากจะครับขอบคุณครับอยากจะชี้แจงให้เห็นความต่าง และความเหมือนหรือที่เรียกกันด้วยศัพท์สมัยใหม่ว่าปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างศิรียภาพกับศิลปะสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันครับอาจจะร่วมหรือแยกกันได้งานศิลปะบางชิ้นไม่มีศิลียภาพดังที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยศิลียภาพหมายถึงอารมณ์ที่เราความรู้สึกต่อสิ่งสุนทรยั่งยืนอมตานะครับ ส่วนศิลปะที่เราเห็นในทุกวันนี้เนี่ยอาจเป็นเพียงผล น, นพพวงของเทคโนโลยีเท่านั้นทําอะไรยุ่งยุ่งพิสดารพันลึกแล้วเราก็เรียกว่าเป็นศิลปะสิ่งนั้นจะมีประโยชน์ทางด้านมโนธรรมเนี่ยน้อยครับแล้วเป็นสิ่งวุ่นว้าวจับฉวยส่วนศิลปะภาพนั้นนะครับเป็นคุณสมบัติดูเหมือนที่เป็นคุณสมบัติ พี่แสดงออกเมื่อจิตใจผองแผ้วประพัดสอนความงามนั้นเปล่งประกายออกจากเนื้อในของดวงจิตเดังนั้นในหลักอภิธรรมนะครับคือธรรมะชั้นสูงในพุทธศาสนาเนี่ยจะบอกเล่าเราว่าก่อนหน้าที่ปัญญาภูมิปัญญาชั้นสูงจะปรากฏจิตดวงหนึ่งปรากฏขึ้นก่อนเรียกว่าโศภณนจิตจิตงาม จิตที่จำสายพระพัฒสอนเกิดขึ้นต่อลําดับต่อไปนั้นก็ปัญญาจะตามมาดันั้นในประเด็นในความหมายนี้นั้นสุนทรียภาพเป็นสิ่งแนบแน่นกับเรื่องของสัจ ธ, ธรรมครับไม่ใช่เรื่องที่สวนทางกับธรรมะหรือสัจธรรมมุ่เหตุที่ทําให้เข้าใจผิดกันเพราะว่าเราไปคิดว่าเรื่องสุนทรีย์เป็นเรื่องเลวไหลแต่แท้จริงสุนทรียภาพคือเป็นเรื่องอารมณ์สุนทร ในทรามกลางของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบุรุษแห่งปัญญาครับผมใช้คําบุรุษเนี่ยหมายถึงผู้หญิงด้วยนะบุรุษแห่งปัญญาสามารถรื่นรมมีความรื่นรมในทรามการกระแสของเกิดแก่เจ็บตายได้ด้วยอํานาจของภูมิปัญญามีคํานิยามที่มาจากแหล่งที่มาที่หนึ่งที่ใดครับว่าพระภิกษุนั้น รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจด้วยดวงจิตอันรื่นรมข้อนี้หมายอริยสัจเรารู้ว่ามันเริ่มต้นที่ทุกข์นะทุกข์กษัตริย์เอไม่ได้หมายว่าเราต้องทุกข์กับความทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้อริยสัจด้วยจิตใจที่หมลหมองแต่แทงตลอดสัจธรรมอันนี้ด้วยดวงจิตที่รื่นรมนี่คือเข้อเงื่อนของสุนทรีภาพครับอ ผมจะต้องตีวงกว้างไปสู่ที่โลกทั้งสองนะครับตวนออกและตวนจบเพื่อสาวก็สู่รากเหง้าของที่มางความหมายคาศัพทีภาพก่อนอรวมไปถึงความหมายของศิล ป, ปะด้วยนะครับนี่คำอยู่สามคำที่ความคาบเกี่ยวกันไม่เหมือนกันแต่คาบคาบเกี่ยวโยงใยซึ่งกันและ ก, กันคือสิ่งที่เรียกว่าความจริง ความงามและความดีสามสิ่งนี้ในโลกตนตกมั ก, กถูกสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเทพธิดาสามองค์สามคุณค่าที่เรียกว่าทรีเกรสสถ้าผู้ที่ค้ามวอร์ดในเรื่องของในโลกศิลปะจะรู้ว่าภาพขีนของบอสติเชลรี่อะไรนีฮจะมีภาพเทพธิดาสามองค์บบางอกาลังโอบกอดกันอยู่ที่จริงนั่นเป็นสัญลักษณ์ของความงามความดีและความจริง นูเรเยฟนักเตะบํารายเท้าคณะบอลชอยนะครับมาเต้นลาลงที่กรุงเทพนี่เองเต้นลาลงนะครับเขาได้เอาสามลักษณะนี้มาเป็นตัวละครแต่ในการเต้นไล่ลาลเรืองรําของเขานั้นเขาเน้นเรื่องศิลปะมากครับความงามเขาเน้นเรื่องความงามว่าเป็นเป็นสิ่งที่เด่นและสําคัญที่สุดในบรรดาสามสิ่งนั้น เราอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าคตินิยมทางโลกซีกตัวหนอกนั้นเราเน้นที่ตัวความจริงนะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงความงามเราต้องบอกว่างามจริงๆรงนะรถ้างามต้องจริงด้วยงามแท้ๆคือมีความจริงแท้อยู่ในนั้นด้วยนั้นสอนเขาว่าความงามที่ ย, ยั่งยืนนั้นต้องมีความจริงอยู่ด้วยต้องประสานแน่แ น, นกับตัวความจริงดังนั้นที่เกิด ติทัศที่ว่าถ้าจะให้รู้จักดอกไม้งพระทหารต้องเพ่งดูที่ซากศพเรื่องนี้ผมคิดว่าแนวทางตอนตกลับไม่ไหวครับเดี๋ยวซากศพงามเพราะว่ามันจริงดังนั้นความหมายของสุนทิภาพนี้ลุ่มลึกแล้วครับลุ่มลึกในท่งกลางของความทุกข์ยากเจ็บปวดทุกทรมานนี้ครับคำถามหลักเกิดขึ้นว่า มนุษย์สามารถคลื่นลมชีวิตชนินี้ได้หรือไม่หรือว่าชีวิตต้องมีแต่ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับผมอยากให้ย้อนไปดูทัศนะของปราชญทางตะวันตกนับตั้งแต่อริสโตเติล น, นะครับจนพโ б ล์วิกาโซ ศิลปินที่โลกยอมรับเราอาจจะไม่ยอมรับนะแต่ก็ถือว่าโลกเขายอมรับว่าเป็นผู้เกื้องปราในเรื่องของศิล ป, ปะหรือสุนทรียภาพการเหล่านั้นมองว่าศิล ป, ปะหรือสุนทรียสุนทรียภาพที่ก่อเกิดจากงานศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความสัตย์จริงของธรรมชาติพิกาโซเองพูดว่า สิ่งใดที่ธรรมชาติไม่มีให้ศิลปะมีให้ได้ดังนั้นความงามความดีและความจริงไม่จำเป็นต้องร่วมกันอาจจะแยกกันได้ตัวสังเกตอันนี้ดีนะครับในขณะที่ตวนอกถือว่าแยกไม่ได้อะไรงามต้องจริงเมื่อจริงมันก็ต้องดีมันดีมันงามมันจริงมันมันโยงกันอย่างแน่นแฟนมากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แข็งกร่งที่สุด ตอนสตอยเองนะครับปาดซึ่งค่อนข้างเคารพ บ, บูชาคติทัดในทางตอนออกก็ยังเห็นด้วยกับฝ่ายตะวันตกที่ยืนยันว่าความงามไม่จะเป็นต้องดีแลงนั้นเราจะเห็นเสรีภาพของศิลปินทั่วไปนะครับที่สร้างสรรค์ความงามโดยไม่แยแสต่อความเป็นจริงหรือแม้แต่ศิลธรรมจริยาครข้อนี้นั้นเข้ามาสู่ความรับรู้ของผมเมื่อวันหนึ่งผมเอาภาพ โอลิมเปียซึ่งเป็นภาพนูด้ดซึ่งเขียนโดยโมเน่มาเน่ครับสุดท้ายยุคเริ่มต้นของอิมเพรสชันนิสท่านที่ไม่อยู่ในแววงศิลปะคงฟังยากครับแต่ว่าแต่ว่าผมพยายามที่จะรัดตัดเพื่อให้เข้าถู่ประเด็นนะีภาพนั้นเป็นภาพเปลือยครับผู้หญิงเปลือยเทพธิดาโอลิมเปียนอนในบนเตียงนอนถ้าเห็นเข้าท่านงับหนังสืออย่างแรงๆจะบอกนี่เป็นภาพที่ ผมลําบากมากที่จะทวนออกมานครับเพราะเป็นคำหยาวบท่านบอกเป็นภาพสวยได้ยังไงในเมื่อมันนอนอะไรเหล่านั้นครับผมละไว้ในฐานที่ <c oughs> เข้าใจนึกไม่เข้าใจก็ตามท่านถือเป็นภาพอุจจารเป็นภาพที่ท้าทายจริยธรรมนี่เป็นช่วงต้นที่ผมเอาภาพให้ท่านดูแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสักประมาณเดือนเศษนะครับ ท่าอาจารย์ได้แสดงความเข้าใจอีกระดับหนึ่งแสดงว่าท่านมีพัฒนาการตลอดไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ปฏิยาครั้งแรกท่านปไิเสธ็ภาพอย่างนี้จะเป็นศิลปะไม่ได้มันท้าทายศิลปธรรมท้าทายต่อท่วงท่าที่เรียบร้อยของของมนุษย์นะับท่านพยักหน้าบอกผมเข้าใจละที่เขาเปลือยเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้เป็น f เกอร์ที่เป็นสากลไม่อยากให้เป็นชาติหนึ่งชาติใดผมสึกขึ้นในอัจฉริภาพด้านนี้ท่านคือท่านแสดงความเข้าใจท่้อย่างลุ่เร็วมากครับ นี่ประการหนึง่งครับสำหรับโลกตัวหน อ, อกนะครับ <c oughs> ดังที่ผมได้เกิดแล้วว่าความงามเปล่งประกายขึ้นดวงจิตที่เปล่งประกายความงามขึ้นต่อลำดับดังนั้นก็เกิดภูมิปัญญาที่จะแลเห็นความจริงดังนั้นความงามกับความจริงนี่เป็นลำดับถัดเนื่องกันไป ถ้าเราจะจับเอาทฤษฎีของฮินดูหรือหรือคติทัตของชาวจีนหรือปราชญ์จีนโบราณว่าใเรื่องตันเฉียนนะครับคือแหล่งที่มาของพลังชีวิตผู้ทีดด่เล่นไพ่แจ๊กก็ดีหรือวาดรูปแบบจีนได้จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมากครับฝ่าฮินดูนั้นมีทฤษฎีทรื่อทฤษฎีกุนทลินีถือกันว่าที่ฐาน เชิงกรารของมนุษย์เรานั้นเป็นแหล่งรวมของพลังชีวิตมหาศาลซ่อนอยู่และมนุษย์เรานั้นจะเจ็บป่วยเมื่อพลังเหล่านั้น ล, ล่อยหลอนะฮทิสดีตันเถียนกับกุณทรณนีนี้คล้ายกันมากครับผมคิดว่าน่าจะมาจตแหล่งเดียวแล้วยงใยไปสู่คติความเชื่อของาศาสนาอียิปต์โบราณด้วยครับ เราเห็นว่างูสองตัวที่พันคบเพลิงที่เป็นเครื่องหมายของกรมการแพทย์นะฮะยังมีคติความเชื่อจากจากอียิโบราณงูสองตัวชื่อนีนาสูนีนิซิดาวิชาที่เรียกว่าเคมีดำหรืออัลเคมีนะครับแพร่หลายอยู่ในโลกครั้งอดีแต่อัลเคมีไม่ได้หมายถึงการเล่นแร่แปรธาตุเปลี่ยนตะกั่ให้เป็นทองคําำถือว่าเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเซียนนี่นก็เป็นอัลเคมีครับการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเคมีชีวภาพในร่างมนุษย์คนหนึ่งแต่นภากฐานของวิชาเคมีของตัวหนกกว้างไกลและลึกล้ำมากครับผู้ที่คุ้นเคยกับภาพยนต์กำลังภายในของจีนจะฟังออกครับเชื่อกันว่าบุรุษหนึ่งคนหรือสตรีหนึ่งคนอาจจะสู้กับบุรุษอีกร้อยคนพันคนได้ถ้าว่าพลังชีวิตของเธอหรือของเขาขึ้นมาสู่ระดับนั้นๆ น้นตลอดวัติศาสตร์กันยาวนานของจีนนะครับปราชาีนมองชีวิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาพลังชีวิตไม่ว่าการลบทัพจับศึกไม่ว่าการเยียวยาเพกีฬาในเภสั์ก็ดีหรือศิลปะก็ดีเป็นการดึงพลังที่สั้นเล่นออกมาใช้มันรวมไปถึงสุขภาพพลานามัยด้วยครับอันนี้เป็นเบื้องเสมือนนิพนธ์หรือตีสิษย์ของโลกซีกตัวหนอ่อ แต่ว่าถ้าเราดูผ่านภาพยนต์กำลังภายในออกจะโอเวอร์ไปนะเพราะว่าต้องการให้สนุกสนานแต่ว่าโครงสร้างนั้นสำคัญมากครับโดยที่ก็แบ่งฐานของความเป็นคนเนี่ยเป็นจุดเชื่อจักราจักรจักที่แปลวีลล้อนี่ครับถ้าว่าพลังชีวิตที่ถูกดึงขึ้นจากแหล่งกำเนิดเลื่อนไปสู่ระดับใดชื่อว่าบุคคล น, นั้นพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับนั้น ถ้าขึ้นสูงทรงขึ้นมาก็ถึงระดับเซียนหรือเทพนะฮะวโนราปักใต้ของเรานะครับที่จริงเป็นโยคะเป็นหน้าเตโยคะเพื่อสาวดึงงบพลังขึ้นมาเบื้องสูงท่าแต่และท่าท่าศัาตรีนั้นเป็นท่าที่บอกลักษณะของความงามเยี่ยงเทพคือเป็นทิพย์เราจะลืมหน้าตาผิวพธฑ์ที่ด่างดำของนักฟ้อน แต่มองเห็นท่วงท่าที่สง่างามเจรจ้าใ น, ในที่เขาแสดงออกประชาชนไทยทั้งอยู่ในประเทศนี้และนอกประเทศนะครับที่เรียกตัวเองว่าสยามหรือไทยอาหอรอางเมีมเ่ยแนวโน้มที่จะตอบว่าผู้ผู้ถามเขาว่าเขามีเชื้อสายโนราคำาโนรานี่กลายเป็นเหมือนคใคห้เชื้อสายอะไรบางสิ่งทึ่ยิ่งใหญ่และงวนงามยิ่งนะ สืบสานต่อนะครับว่าเมื่อพลังชีวิตถูกดึงขึ้นในบนจั ก, กราแต่ละฐานเนี่ยมนุษย์จะเปลี่ยนไปตามฐานของพลังนั้นนั้นถ้าว่าถึงระดับที่ที่น่าผากก็อาจจะเล็งแลเห็นสุนทรียภาพในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และเรียกสิ่งนี้ว่ากฤศณมนัดคือมีน้ำใจเยี่ยงเทพเจ้าดังนั้นจากคติทัตอันนี้นะครับบอกเราว่าความงามเป็นเรื่องของการ พัฒนาภายในพัฒนาจิตใจหรืออารมณ์ภายในจนแลเห็นความงามได้ดังนั้นความงามเป็นเรื่ององค์ภพภูมิจะเลี้ยวแล่ไทางตะวันตกนะครับศิลปินเขาา จ, จะอยู่ในสตูด<ม>ิโอเห็นด้วยสีสันวันรายแล้วก็เหนื่อยเข้าก็ไปกล้องเมามาทํางานต่องนั้นท่าทีของศิลปินตะวันตกเป็นท่าทีของปราดทางดนตรี แต่ท่าทีของตัวหนอกนั้นจิตกรก็ดีเป็นท่าทีของนักพรตเราจะพบว่านักพรตเตาก็ดีนักพรตจีนก็ดีมักจะวาดรูปแต่ลักษณะไม่ไม่เหมือนกันเนีย่ยอันนี้ผมชี้แจงให้เห็นนะครับว่าโลกครั้งอดีตตั้งต้นจากสีโลกตัวน อ, อกมีความเข้าใจต่อสุนทรียภาพแนบแน่นกันในาศาสนาเรีสุนทรียภาพในองค์พระพู้เจ้า เดียวแล้วทั้งโลกซีกตะวันตกก่อนหน้ายุคสมัยที่เรียก ว, ว่าฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือที่เรียก ว, ว่ารีนิซองนั้นเราเรียกกันว่ายุคไบเซนไทน์คือยุคที่คําสอนพระเยซูนั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากเจ้าครองนครจ ะ, จะต้องมีโบสถ์ใต้ดินจะพบปะสวดมนต์ที่ย้งหลบหลบซ่อนๆในช่วงนั้นการแสดงออกศิลปะเนี่ยนับเป็นงามและวทอมมากครับแล้วก็เชื่อมั่นว่า กาที่ใครสคนหนึ่งวาดรูปเป็นร้องเพลงเป็นหรือเป็นกวีเป็นกวีคนสำคัญนั้นเนื่องจากการดลบันดาลขององค์พระผู้เป็นเจ้าศิลปะความมีพรนั่นเป็นเพียงพรสวรรค์เอพระผู้เป็นเจ้าอาจจะประทานพรให้ใครเมื่อไรก็ได้ที่จะเป็นผู้เป็นกวีเพื่อเพียงเพื่อสรรเสริญพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ย สิ่งโลกตัวนอกนั้นมีความเชื่อเช่นนี้ไม่ไม่มากก็ น, น้อยครับที่ว่าเรามักจะได้ยินเรื่องปรามราคติว่าตัวนายช่างผู้สร้างโบสถ์สร้างพุทธรูปสิ ง, งดงามแล้วก่อนตายอธิษฐานขอให้เกิดมาซ่อมอีกเราพบว่าความคติความเชื่อในเรื่องภบชาติเนี่ยหนักแน่นมากสําหรับคนตัวดอกสิ่งหนึ่งที่เรือลางจางหายไปจากแผ่นดินนี้นะครับก็คือคติความเชื่อในเรื่องการสั่งสมบารมี อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับตามทัศนะของผมโดยที่คนต่างนออกโดยเฉพาะชาวพุทธไม่เชื่อแบบตัดตอนว่าชีวิตนี้เท่าที่ปรากฏเท่านั้นคือตายแล้วจบกันเนี่ยจะมีแนวน้อมเองที่เชื่อว่าชีวิตปรากฏอยู่ก่อนเกิดและชีวิตไม่ได้จบสิ้นหลังตายสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงในเรื่องหนึ่งนะแต่ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการทัดที่จะต่อหรือเรื่องพาราดอยกระบวนการทัดที่ มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าชีวิตไม่ใช่เท่านี้ดังนัน้นเนื่องจากนิทานชาดกพระคำพีหลักที่เล่าเรื่องการสังสมบารมีของพระโพสต์เสียสงไข่แสนกับเพื่อได้รับพระโพธิญาณในชาติสุดท้ายแกนนำมันนี้สําคัญเลฮะสมมติว่าเขามีความเชื่อว่าเราเคยทำบุญร่วมกันมาแล้วชาตินี้จึงพบกันอีก ผมจะพูดว่าที่เรามานั่งประชุมเนี้ยด้วยอำนาจของบารมีเนี่ยฟังดูเล้อล่านะครับท่านผู้แต่ว่าผมเชื่อสิ่งนี้ครั้งอดีตเป็นเรื่องจริงจังมากครับเป็นเหตุให้เขาต้องทนุถนอมกันละกันถือว่าวัวควายไล่นาสาโทนะฮะหรือแม้แต่เครื่องใช้เครื่องมือเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของบารมีและทาไม่ตามคุ้มครองบารมีนั้นจะเสื่อมไปอนะคําทักทายกันเราพบว่าท่านเกิดเอ เพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนะฮะทักทายด้วยหลักความจริงอันนี้แล้วก็มีประการหนึ่งก็คือเวลาอธิษฐานให้พรอวยพรซึ่งการกันนั้นจะบอกว่าขออํานาจคุณพระศีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสองอำนาจอ้างถึงสองอำนาจหนึ่งเป้าหมายในสากลโลกตามคุ้มครองท่านนับตั้งแตว่วันนี้เป็นต้นไปตราบเท่ า, เ ข, าเข้าสู่วนิพพานเห็นไหมฮะ นี่เป็นนิพนธ์หรือดีสิสที่ครอบคลุมผู้คนในครั้งอดีตผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญมากครับถ้าใครสักคนหนึ่งทำผมให้ตาบอดแต่ผมไม่มีกระบวนทัดแบบของเรื่องบารมีนะครับผมไม่ต้องโกรธผมต้องแก้แค้นต้องเอาคืนให้ได้แต่ถ้าผมมีกระบวนทัดบนการสั่งสมบารมีนั่นคือชีวิตนี้มีไว้เพียงเพื่อสั่งสมบารมี เสริมสารบารมีธรรมที่เคยสร้างมาแล้วเนี่ให้เต็มเปี่ยมผมอาจจะต้องคิดว่าชาติก่อนผมคงเคยทําเขาบอดชาตินี้เขาถึงทํำผมบอดเรื่องจบทันทีนครับเราต้องเห็นพลังของไอ้ไอ้ไอ้ไอกระบวนทักอันนี้รุนแรงครั้งอดีตนะฮะแต่ถ้าผมไม่มีในปัญหามีมากทีเดียวผ ม, มยีที่เจอในชาตินี้เพราะว่าสั่งสมบุญกันมาก่อนแล้วเราจะมาทิ้งกันได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะ นั้นก็อ้างลึกเข้าไปชีวิตไม่ได้โผล่เฉพาะเท่าีิตาเห็นรากเง้าของชีวิตนั้นเทครูทออนลึกแสนนะครับพบกันอีกสังสมบารมีทำไปเรื่อยๆแม้จะเครื่องใช้เครื่องมือกริดขวานนะี่คือเกิดเดิมท่นบารมีต้นไม้ไร่นาสาโธนะฮะทีนี้ผมรู้สึกว่าจืดจางลางเรือนมาจากถังกรม น, นี้ศิลปินขั้งอดีตนะครับเราพบว่าฝ่ายเทรวาธเราพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาธเนี่ย มีระบเบียบโดยเฉพาะในศีลแปดนะครับบอกห้ามร้องร ำ, ำงําเรงซึ่งเป็นเรื่องอารมณ์สุนทรีเป็นเรื่องของศิละปะแต่ท่านทราบดีนะครับชอบฟ้าใบากะเจดีย์งดงามพลิ้งพลายนั้นฝีมือพระทั้งนั้นเลยครับมันน่าแปลกตรงที่มันมีความขัดแยง้งอย่างไรชอบกันซึ่งเราต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโดยศีลห้ามคุณเล่นอ น, นั้นแต่ถ้าคุณเล่นเพื่อธรรมะแล้วก็ได้เห็นไครับ มีอะไรที่ที่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องทําทุกอย่างเพื่อสั่งสมบารมีการฆ่าคนอื่นถ้ากับตัดทอนบารมีของตัวเองและตัดทอนบารมีของคนอื่นกับสัตว์เลี้ยงทางมา้าหัวควายถือมองด้วยสายตาที่ว่าสัตว์ทุนนางสาเหล่านั้นกําลังสั่งสมบารมีที่ชาติหนึ่งชาติใดเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์และเข้าใจอริยสัตว์คําสอนของพระเจ้าเมื่อสมายของเด็กๆ พี่สปายเขาเลี้ยงหมูครับเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาจะเลี้ยงไม่ขายแต่พอวันขายี่ก็ร้องให้เป็นวักเป็นเวรเลย ม, มันบอกอะไรบางสิ่งที่ว่าเขาเลี้ยงขายจริงแต่เขาเลี้ยงมันอย่างดีเลยถึงปัจจุบันนี้นะครเช้าวันนี้ผมอ่านข่าวที่น่าสลดเกิดขึ้นที่อเมริกาชายชราอายุร้อยี่สิบปีถูกไม้ทสะโพกฟาดตายครับที่ยิงร้อยี่สิบปีผลักทีเดียวก็ แย่แล้วครับแต่ว่าคนโหดเหี้ยมมากขึ้นครับเมื่อกระบวนกัดในเรื่องสังสมบารมีจืดจางอะไรเกิดขึ้นนี่เราเราคาดไม่ถึงนะครับเพราะคนเชื่อมั่นแต่เรื่องการบริโภคการกินการใช้ไม่ได้คิดถึงความผูกพันยงใหญ่ในปรลโลกผลสืบเนื่องจากการกระทของตัวนี้มนุษย์ไม่ไม่มีความรับผิดชอบนั้นแล้วนะครับดูผมจะออกนอกทางหัวข้อไปแล้วนะครับ ผมเองเรียนทางศิล ป, ปะเมื่อผมจะเล่าถึงทีของท่านอาจารย์นั้นจําเป็นมากเลยผมต้องเล่าความรู้สึกส่วนตัวด้วยเพราะว่าผมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการจากท่านขั้นแรกสุดผมเจอท่านนั้นผมตกตะลึงในบุคลิกภาพเมื่อกี้เล่าให้เพื่อนผมฟังนะครับเพราะว่าเราก็่พบแต่ผู้นําไม่ว่าในทางสาขาดใดที่เราพอจะเข้าใจได้จะเป็นนักธุรกิจจะเป็นครูบาอาจ า, ารย์หัวไหลนะครับ เพราะว่าถ้าเหล่านั้นบุคลิกภาพเหล่านั้นเป็นผลิตผลของเมืองของการต่อสู้แต่เมื่อผมเจอท่านนั้นท่านเป็นผลิตผลของป่าอาการที่นิ่งแล้วตอบคําถามอย่างระมัดระวังนี่ทำให้ผมแปลกใจมากครับปกติเราถูกถามแล้วก็ตอบแบบอัตโนมัตินะแต่สําหรับท่านนั้นเต็มไปด้วยการไข่ ค, รครุนอย่างรู้แล้วนิ่งเป็นหลักนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นท่าน ผมเองเรียนจบจากมาหลาลัยแล้วรับราชการเป็นครูสอนศิลปะครับนั้นโดยกําพืชโดยแนวโน้ม เ, เองก็ชอบศิลปะเป็นหลักอยมองอะไรมองด้วยอารมณ์สุนทรีเพราะถูกกระปรมบ่มนิสัยมาอย่างนั้นประกอบกับผมเองต้องเป็นผู้บรรยายเรื่องความงามของพระพุทธรูปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตครุครุยอยู่กับการสเก็ต ภ, ภาพก็พัก พ, พุทธรูปอยู่นานครับดังนั้นภาพ ผมความรู้สึกของตัวผมต่อนักบวชก็ค่อนข้างเรียบร้อยงดงามอ่อนโยนสุภาพจริงใจอะไรเหล่านี้ซึ่งสิ่งนี้เองเมื่อผมไปที่สวนโมกผมกระทบมากการกระทบนั้นก็คือ <c oughs> ผมเองไม่เข้าใจว่าอารมณ์สุนทรีเนี่ยมันมีความปลอกอยู่ในตัวมันจริงใดผมเข้าใจสุนทรีภาพที่ผมมีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ให้คะแนนตัวเองเพราะว่าเองเออเองนะผมแค่แท่านอาจารย์ท่านอยากจะให้ผมเข้าใจความจริงที่ยิ่งกว่านั้นดังนั้นวันหนึ่งท่านก็ผมต้องเล่ารายละเอียดนิดนึงครับไม่งั้นจะจับประเด็นไม่ได้มีมีเรือซึ่งเป็นที่เก็บถังน้ําฝนนะครับบนเพดานเรือนั้นท่านได้เดินทางไปที่เกาะสมุยเอาหินสวยๆนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่ว่าท่านอาจารย์ท่านมีสุนทรียภาพท่านเลือกหินที่รูปร่างแปลก มากองสูงไว้บนหลังเรือนะครับโดยมีแผนการที่จะตกแต่งจัดให้มันเป็นวงจรของปฏิจจสมุปาทเพื่ออธิบายญาติโยมที่ไปเที่ยวเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านทำงานลีเริ่มหลายด้านตั้งเข้าเว้นหลายแง่หลายมุมประกอบด้วยลารุ่งเลยเปหลายปีฝนตกน้ำท่วมกันมาเกือบถึงเขา่าแล้วก็มีปลาช่อนปลาไหซึ่งมาได้อย่างไรก็ไม่มีใครทราบครับ วันหนึ่งเอ่อถ้าก็เรียกผมไปตอนนั้นผมเพิ่งบวชใหม่ครับประมาณหนึ่งหรือสองพรรษานะครับอารมณ์ผมยังขึ้นกับสุนทรียภาพเป็นอย่างยิ่งเลยเอ่อผมทนไม่ได้ที่เห็นสิ่งีตรงข้ามกับสุนทรียภาพเอ่อถ้าเรียกไปแล้วบอกว่าผมอยากจะจัดวงุติจึสมบาทใหม่คุณช่วยไปสูบน้ำออกให้หมดแต่ว่าในนั้นมันมีปลาคุณต้องจับปลาก่อนไม่งั้นเป็นการฆ่าสัตว์ ถ้าท่างก็ยื่นตาข่ายไนล่อนสีฟ้าสวยที่เดียครับบอกคุณไปจับดูผมก็ไปทีนี้มันเล่นกันจนเที่ยงครับจับไม่ได้ครับผมไม่เข้าใจทําไมยังไม่ได้มันก็ตาข่ายธรรมดานะตาข่ายไนล่อนนึกออกไหมครัผมไปบอกท่านว่า ม, มันจับไม่ได้เลยท่านบอกว่าตาข่ายสีมันสวยมันสะดุดตาปลาคุณลองอันนี้สิหยิบตาข่ายเหล็กแข็งปังหมเนี่ยผมก็ไปจับจับได้ กลับมาบอกท่านต้องบอกอผมแปลกใจท่านก็ไม่ได้สนใจผลหลังจากผมจับปลาเสร็ท่านก็ไม่ได้สนใจนมันอีกเลยคล้ายๆท่ามันรู้เป้าหมายของท่านแล้วที่จะบอกว่าตาขายสวยๆไม่ได้เรื่องหรอกมันทําอะไรไม่ได้ผมเริ่มคิดนะเริ่มกระทบคือท่านจะเป็นผู้ที่ฉลาดมากในการหยิบเหตุการณ์สดๆขึ้นมาแล้วผลักมันเข้าสู่การหล่อล้อมอารมณ์ภายในให้เปลี่ยนทัศนะเนีะ เข้างหนึ่งผมกำลังทาสีอาโรเจสวนโพยสักนะครับในการทาสีเพื่อที่กรบสีเดิมซึ่งเป็นสีซีเมนมานานเข้ามันกระดากระด่างครผมทาเสร็จกำลังทาอยู่ถ้างก็เดินมาอยู่ข้างล่างผมอยู่บนข้างบนครับบนห้างบนร้ า, รานเออ ทนพูดขคือลอยๆครับบอกว่าสีไหนอยู่ให้เอาสีนั่นซึ่ง น, นี้เป็นเป็นสิ่งที่มีอุปการะกับผมมากๆเพราะว่าเมื่อเราทําการอะไรเราจะมัจกจะกังวลกับสิ่งที่เราทำนะคัท่านบอกว่าสีไหนอยู่ให้เอาสีนั่นสีไหนที่มันลอกก็ให้มันลอกไปตามเรื่องตามการเวลาเลยซึ่งอันนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตั้หลักผมงในช่วงนั้นนั้นครัผมจะต้องวกเข้าสู่ การสอนเรื่องสุนทรียภาพอีกส่านคนนครับว่าอารมณ์สุนทรีนี้นะครับเกิดขึ้นกับจิตใจเช่นไรละเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลดีหรือผลเสีย อ, อ๋อจงเป็นดิ้งย้อนไปสู่ออพระพุทธเจ้านะฮะผู้เป็นต้นตอหรือเป็นต้นฐานของพรรทชาติารรมะ ่กิริยาอาการที่พระเจ้าท่านเหลียวหลังด้วยท่าที่เรียกว่านาคาวโลกนะครับท่าช้างเหลียวหลังเมื่อท่านในเสด็จไปที่กุสินาราเพื่อป ร, รินิพพานซึ่งเป็นอิทบทที่แปลกประหลาดจนพรานนต้องถามคล้ายๆท่านอะไรอววรต่อโลกนี้เลี้ยงไปดูนั่นอันหนึง่ง